มีใครอยากจะถามอะไรว่างให้มีใครอยากจะถามอะไรนะไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ดีมีแล้วก็ต้องหาคำตอบถ้าไม่มีคำถามก็ไม่ต้องหาคำตอบถ้าถ้าอยากรู้ก็ต้อง หาคำหาคำตอบถ้าไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องหาคําตอบความจริงไม่ต้องรู้อะไรก็ได้ขอให้เราไม่รู้อะไรอย่ารู้อะไรให้สักแต่ว่ารู้ให้รู้เฉยๆเห็นอะไรก็รู้ว่าเห็นอย่างนั้นไม่ต้องไปรู้อยากจะไปอยากรู้ อย่าอยากไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรให้รู้เฉยๆแล้วอย่าไปยุ่งกับมันนั่นเองมันจะดีจะไม่ดีก็ไม่เป็นปัญหาที่เราอยากจะรู้ก็เพราะเราอยากจะไปยุ่งกับมันเห็นอะไรแล้วบางทีเราชอบเราอยากได้เราก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นอันตรายไหม แต่ถ้าเราเห็นรู้เห็นเฉยๆรู้เฉยๆรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ไปยุ่งกับมันก็ไม่จาเป็นจะต้องรู้ว่ามันดีแล้วไม่ดีการรู้เฉยๆกับการรู้แล้วไปคิดไปอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไร อันนี้มันทำให้เราจะต้องไปค้นคว้าไปหาข้อมูลไปหาคำตอบแล้วคำตอบที่เราได้ก็เป็นคำตอบที่ไม่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเราเห็นอะไรถ้าเราเป็นเด็กเราเห็นอะไรเราถามแม่แม่ก็บอกว่าเป็น ผลไม้เป็นกล้วยเป็นส้มอร่อยไม่อร่อ ย, ออยดีไมด่ดีอันนี้ก็เป็นคำตอบที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงคำตอบที่จะทำให้เร า, ามีความทุกข์กับสิ่งที่เราไปรับรู้เช่น ถ้าเขาบอกว่าดีเราก็อยากได้อย่างเพชรเนี่ยตอนเด็กๆถ้าเราเห็นเพชรเราก็ไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีเห็นถ้าเห็นเห็นแบบเด็กก็ดีไปอย่างเห็นแล้วก็เฉยๆไม่เห็นอยากจะได้แต่พอเขาบอกว่าดีมีราคาแพงก็อยากจะได้ขึ้นมา แล้วพอได้มาก็มาทุกข์กับมันมาต้องคอยดูแลรักษามันแล้วถ้าเกิดมันหายไปก็เสีย อ, อกเสียใจอีกสู้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรดีกว่าจะได้ไม่ไปเอามันมาไม่เอามันมาก็ไม่เป็นไรไม่ต้องมาดูแลรักษา ไปซื้อแหวนเพชรมาสังวงเนี่ยต้องคอยเก็บคอยรักษาถ้าหายไปก็เสียใจร้องห่มร้องไห้แล้วม่งไงก็ต้องมันก็จะต้องเสียมันจะต้องจากเราไปมันไม่จากเราเราก็ต้องจากมันของต่ตางๆที่เราได้มาในโลกนี้ เดี๋ยวเราก็ต้องทิ้งมันไปหมดเดี๋ยวเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เรามาก็มาตัวเปล่เาเปล่าไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเราไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปแต่เวลาเราอยู่นี่เราอยู่เราอยู่อย่างวุ่นวายวุ่นวายตั้งแต่ อยากได้หรืออยากไม่ได้อยากได้ก็วุ่นวายไปอย่างอยากไม่ได้ก็วุ่นวายไปอีกอย่างแล้วพอได้มาแล้วก็วุ่นวายอีกต้องมาคอยกังวลมาคอยดูแลรักษาแล้วพอหายไปพอจากกันไปก็เสียใจเศร้าใจนี่เป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้อง ความรู้ที่เราได้รับจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายโรงเรียนครูบาอาจารย์ต่างโรงเรียนต่างนีงง่ให้ข้อมูลที่ผิดให้ข้อมูลที่ทำให้เราวุ่นวายใจกันไม่ได้ให้ข้อมูลที่ทำให้เราสบายใจมีที่เดียวเท่านั้นในโลกงนี้ที่ให้ข้อมูลที่จะทำให้เราสบายใจ แต่เรากลับไม่ชอบไม่ชอบข้อมูลเราไม่ชอบความจริงกันพระพุทธเจ้าสอนความจริงแต่พวกเรากลับไม่ชอบมาเรียนกับพระพุทธเจ้าชอบไปเรียนที่อื่นกันแล้วก็มาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจมาวุ่นวายใจกันถ้ามาเรียนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันไม่เที่ยง มันมันมาแล้วก็ไปมันเกิดแล้วก็ดับเจริญแล้วก็เสื่อมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไม่อยู่หายไปเราบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้ อันนี้แหละเป็นความรู้ที่แท้จริงที่จะทำให้เราสบายใจสบายใจเพราะอะไรเพราะเราจะได้ไม่อยากไปยุ่งกับมันไไม่อยากไปมีมันมีแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียใจเวลาได้มาก็ดีใจเดี๋ยวมันเสียหรือมันหายไปก็เสียใจสู้อย่าไปมีมันดีกว่า เดี๋ยวไงมันก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องเสียมันเดี๋ยวต้องจากกันได้อะไรมาก็ต้องจากกั น, กตกกนแต่ไม่มีใครได้รับการสั่งสอนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กมีแต่สานว่าไอ้นั่นดีไอ้นี่ดีหากันเงินทองดีมีครอบครัวดีมีแฟนดี แต่งงานกันดีมีลูกมีเต้าดีแล้วก็มาวุ่นวายกับของดีๆนี่แหละเพราะมันดีเราถึงวุ่นวายถ้ามันไม่ดีเราก็าไม่ค่อยวุ่นวายแล้วอย่างพวกขยะเศษขยะนี่เราไม่ค่อยวุ่นวายของไม่ดีกับทาให้เราสบายใจของดีกับทำให้เราวุ่นวายใจเห็นอย่าไปมีของดีดีกว่า พระพุทธเจ้าสอนให้พระใช้ของไม่ดีผ้าจีวรก็ไปเอาเศษผ้าผ้าที่เขาหอ่อศพนี่มาทําเป็นผ้าจีวรของไม่ดีแล้วไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครมาขโมยพระต้องอยู่ในป่าไม่มีที่เก็บผ้าไม่มีมตากผ้าวางผ้าไว้เกิดไม่อยู่เพอ ถ้าเป็นของดีก็เดี๋ยวคนมาขโมยไปถ้าเป็นผ้าไหมผ้าแพรเดี๋ยวเอาไปทำเอาไปขโมยไปขายได้แต่ถ้าเป็นผ้าหอ่อศพไม่มีใครอยากจะได้เจ้าของผ้าก็สบายไม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่มีใครเอาไปเหมือนสมัยนี้พวกเรา ก็ฉลาดหน่อยรู้จักใช้ของปลอมกันใช้นาฬิกาปลอมใช้เพชรปลอมใช้สร้อยปลอมทองปลอมทองเก๋ใช้แล้วสบายใจไหมเหมือนของจริงเลยไม่มีใครรู้ว่าเป็นของจริงแลวของปลอมหายเราก็ไม่เสียใจไม่วุ่นวายใจนี่แหละของไม่ดีมันดีมันดีกับจิตใจเรา แต่ของดีมันกลับไม่ดีกับจิตใจเราเพราะมันทําให้เราหวงเราหวงอืทําให้เราอยากได้ทําให้เราอยากรักษาแต่ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากมันไปหรือไม่ฉะนั้นมันก็ต้องจากเราไปเพราะเราทุกคนเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายกันไป ของที่หามาได้ทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นของคนอื่นไปถ้าเราฉลาหลอกลูกหลานก็มีแต่ของเกอเวลาตายไป ม, มามาเปิดเปิดดูขมทัพย์เรามีแต่เพชรเกอแบงก์ก็แบง์เกมันจะได้ดูแลเราเรื่องดูเรามันเห็นว่าเรามีสมบัติมาก มันฉลาดเป็นคนจะดีใจว่าเออมีของเกยก็ดีเนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเออแล้วก็เวลาลูกหลานต่อได้แล้วเวลาจากมันก็ไม่เสียใจใเวลาจากของเกยเนี่ยกับจากของจริงอันนี้จะรู้สึกยังไงจากของจริงเนี่ยโอยเสียห อ, อกเสียใจเอจากของเกยนี่สบายใจไม่ไม่เดือดร้อนอื นะถ้าพวกเราอยากจะมีความสบายใจออยากไปยากได้ของดีได้ของไม่ดีอของไม่ดีไม่มีใครมาแย่งกันของดีนี่แย่งกันของไม่ดีนี่ไม่ต้องไปแย่งกับใครเดี๋ยวของในกองขยะทั้งขยะนี่ไม่ต้องไปแย่งกับใครไปขุดคุยเดี๋ยวก็เอาไปมีสมบัติในกองขยะ ขวดเปล่านี่ยก็เอาไปขายได้อขวดเปล่าของที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยมีคนที่เขายากจนเขาก็มาคอยค้นหาของในทังขยะเนี่ยมาเก็บของที่เอาไปขายได้มีอะไรดีแล้วมันทําให้ใจเราอกังวลทําให้ใจเราห่วงใย ทำให้ใจเราวิตกถ้ามีของไม่ดีแล้วมันสบายอพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระมีของไม่ดีใช้เนี่ยที่อยู่อาศัยก็อยู่ไปตามโคนไม้อยู่ในปา่าทําเป็นเอาไม้มาบุงมาบางังมาหลบแดดหลบฝนได้ใ บ, ม, บมุงไใ้ไม้กิ่งไม้ ได้อยู่ในถ้ำอยู่อย่างเี้สบายไม่ต้องมีความกังวลกับสิ่งที่ที่จะทำให้มีปัญหากับเราผ้าก็ให้ใช้ผ้าบางสกุลเนี่ยผ้าบางสกุลก็คือผ้าหอ่อศพเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่เผาเขาไม่ฟัง คนตายเาก่าๆผ้าหอ่อแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าแล้วพอร่างกายเน่าเปื่อยหมดแล้วผ้าก็ยังอยู่ผ้าก็มีเกื่อนอยู่ในป่าช้าไม่มีใครต้องการมีแต่พระเนี่ยที่ต้องการต้องการผ้าจนกระทั่งผ้าในป่าช้าไม่พอใช้สมัยยุคแรกๆมีผ้าบวชไม่มาก ก็ไปไปเก็บผ้าในป่าใช้ามาพอใช้ได้ต่อมามีคนศรัทธาอยากจะบวชมากขึ้นมากขึ้ น, ก, นก็เลยไม่ไปหาผ้าในป่าช้ามาไม่พอใชอ้มาใช้ก็ได้ผืนเดียวไม่มีผ้าเปลี่ยนพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้ญาติโยมให้ถวายผ้ากระถินน่ย น่าก็บอกว่ามีประโยชน์มากคนเลยคิดว่าทําบุญทอดกรถินนี่จะได้บุญมากอืความจริงมันไม่ได้บุญมากมันได้ประโยชน์มากคือได้ประโยชน์กับผู้รับผู้รับขาดแคลนผ้าผ้าไม่พอใช้แล้วไม่มีธรรมเนียมถวายผ้าก็เลยคิดว่าเป็นธรรมเนียมของพระที่จะต้องไปหาผ้าในป่าช้ามาใช้ ก็ลยไม่มีใครกล้าถวายผ้าเห็นมีแต่บิณฑบาตเป็นธรรมเนียมส่วนผ้าก็ให้ไปเก็บผ้าในป่าช้ากันทีนี้เมื่อคนมาบวชมากขึ้นมากขึ้ น, นจํานวนผ้าก็ไม่พออ้าเวลาได้ผ้ามาก็อาจจะได้เพียงจีวรผืนเดียวเวลาไปเจอฝนเข้าเปียกฝนก็ไม่มีผ้าเปลี่ยนอืม พระพเจ้าก็สงสารพระก็เลยเห็นว่าไม่มีใครถวายผ้าก็เลยบอกให้ถวายผ้าผ้าที่ถวายได้กว่าผ้ากรถินต่างจากผ้าบางสกุลไงผ้าบางสกุลก็คือผ้าป่าผ้ากรถินนี้ก็เป็นผ้าที่เป็นผ้าผ้าที่ยังไม่ได้ตัดไม่ได้เย็บเป็นผ้าผ้าผ้าผืนให้ถวายผ้าขาว แล้วก็ให้พ้ามาตัดเย็บเอาเองเพราะญาติโยมไม่รู้ขนาดของพ้าไม่รู้จากวิธีตัดเย็บจีวรของพระว่าท่านตัดกันอย่างไรก็เลยให้ถวายผ้าทั้งผืนแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยเป็นอา น, นิสงมีอา น, นิสงมากอา น, นิสงนี้แปลว่าประโยชน์ประโยชน์กับผู้รับนะ แต่ผู้ให้นี่ก็เหมือนกับเป็นการทาบุญอย่างหนึง่งทำบุญใส่บาตรทำบุญถวายผ้าเนี่ยก็เป็นบุญเหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนนี้ขาดผ้าขาดผ้ามากกว่าขาดอาหารอาหารมีมีรับประทานพอเพียงทุกวันเบนทบาทแต่ผ้านี้ไม่มีเันการถวายผ้าจะเป็นประโยชน์มากาท่านว่ายอย่างนั้น แต่คนเราสมัยนี้มาแปลข้าหมายว่าถ้าถวายผ้ากระถินจะได้บุญมากกว่าถวายผ้า ป, ป่าหรือถวายผ้าธรรมดาเพราะสมัยนี้เรามีการถวายผ้าจีวรกันอยู่เรื่อยๆอยากจะอยากจะถวายผ้าจีวรก็ไปซื้อผ้าจีวรมาถวายก็เลยคิดว่าการถวายผ้าจีวรแบบธรรมดานี้สู้ถวาย ได้บุญน้อยก่าถวายผ้ากรถินเนีความจริงถ้ามันเป็นผ้ า, าผ้าชิ้นเดียวกันจะถวายเป็นผ้ากรถินหรือจะถวายเป็นผ้าป่ามันก็ได้บุญเท่ากันเพราะบุญของผู้บุญที่ผู้ให้ได้รับเนี่ยมันอยู่ที่ปริมาณของที่ผู้ให้ได้เสียสละไป ถ้าเสียสละมากถ้าถวายสองผือนนี้ก็จะได้มากกว่าหนึ่งผืนถวายห้าผืนก็ <c oughs> จะได้มากกว่าสองผืนพอได้เสียสละมากเสียเงินมากเสียของที่ลักไปของที่เรารักเราหวงไปพอเสียของที่เรารักเราหวงแล้วรู้ว่าคนรับได้รับประโยชน์จากการให้เราก็มีความสุขใจความสุขใจนี้ก็คือบุญ ยิ่งให้มากยิ่งมีความสุขใจมากให้น้อยก็มีความสุขใจน้อยนี่แหละคือบุญบุญมากอยู่ตรงที่การให้ของเราว่าเราให้มากหรือให้น้อยไม่ได้อยู่ที่ว่าเราให้แบบไหนให้แบบเป็นผ้าป่าให้แบบเป็นผ้ากรถินอันนี้ประโยชน์อยู่ที่ผู้รับผู้รับ สมัยก่อนนี่ไม่มีการให้ผ้ากระถินมีแต่ต้องไปหาไปเก็บผ้ามามามาเย็บเองมาตัดเองพระพุทธเจ้าเห็นว่าผ้าไม่พอใช้ก็เลยบอกให้ญาติโยมถวายผ้าถวายผ้าแล้วจะเป็นประโยชน์กับผ้ามากผ้าจะได้มีผ้าไว้เปลี่ยนบ้างเวลาฝนตกไปเจอฝนข้าบินบาตบางวันเนี่ยไปเจอฝน เบลฝนกลับมาถ้ามีผ้าเปลี่ยนก็จะได้เวลากลับมาชั้นก็ได้เปลี่ยนผ้าได้ไม่ต้องนั่งสายผ้าเปียกๆชั้นไปอันนี้เรียกว่าอันนี้สองประโยชน์ของผู้รับคนเราก็เลยมามองที่การถวายกฐินว่าเป็นบุญใหญ่บุญมากไม่เข้าใจว่าบุญใหญ่บุญมากอยู่ที่ของมากหรือของน้อย ถ้าอยากจะได้บุญมากถวายผ้าป่ามากๆก็ได้ถวายสมมุติถ้าถวายผ้ากระถินเผืนหนึ่งกับถวายผ้าป่าสิบเผื่อผ้าป่าสิบเผื่อ น, นี่ได้บุญมากกว่าถวายผ้ากระถินเผืนเดียวมันไม่ได้อยู่ที่อยู่ที่การการถวายว่าจะถวายแบบไหน ถาวายแบบผ้าป่าถาวายแบบผ้ากระถิอนก็เป็นผ้าเหมือนกันบุญมากบุญน้อยนี่อยู่ที่การเสียสละมากเสียสละน้อยอไม่ต้องไปรอกระถินมา่ปีหนึ่งจะมีกระถินสักครั้งเดียวาบางคนนี่ต้องเป็นเจ้าภาพเองด้วยถึงจะรู้สึกว่าได้บุญมาก ใส่บาททุกวันเนี้สะสมไปอวันละสิบบาทสิ บ, บาทเดือนก็สามร้อยแล้วปีก็สามพันกว่าแล้วเวลาทำบุญกระถินทําแค่ห้าร้อยซื้อใส่บาททุกวันดีกว่าใส่บาททุกวันได้บนเยอะกว่ามันอยู่ที่ปริมาณของสิ่งที่เราเสียสละไปเอ เราเสียสละมากแล้วก็จะเกิดบุญมากเกิดความสุขใจอิ่มใจมากก็มีเนี่ยคนบางคนก็ไม่ค่อยใส่บาตรกันใช่ไหมจะรอทำบุญกระถินอย่างเดียวพอกระถินแล้วอ่ะจะทำบุญเพราะนี่เป็นบุญใหญ่หรือถ้าตักบาทก็ต้องรอตักบาตรเทโว ตักบาตเทโวเป็นวันที่พระออกมาจากสมาบัดกันเา้พระอยู่จำพรรษาสามเดือนแข้งคัดนั่งสมาธิทั้งพรรษาจิตใจสะอาดบริสุทธิ์นายทำบุญกับพระตอนที่ออกพัญษานี่ยได้บุญมากกว่าทำบุญวันธรรมดามันไม่เกี่ยวกันหรอกผู้รับเขาจะเป็นพาาระอรหันต์หรือเป็นพระธรรมดาอ่า สายบาศของท่านองไหนก็ได้บุญเหมือนกันเพียงแต่ว่าประโยชน์ที่ท่านจะให้เหล่านี้ต่างกันพระอรหันต์กับพระธรรมดานี่มีความรู้ไม่เท่ากันพระอรหันต์มีความรู้มากกว่าพระธรรมดาถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเด็กที่จบมหกกับคนที่จบปริญญาเอกเนี่ย คนปริญญาเอกต้องมีความรู้มากกว่าสามารถสั่งสอนอะไรได้มากกว่าคนที่จบม .6 อ, อันนี้หละคือความแตกต่างระหว่างพระอรหันต์กับพระธรรมดาประโยชน์ที่เราได้รับจากพระอรหันต์กับพระธรรมดาก็คือธรรมะความรู้ที่จะมาสอนให้เรารู้จักปลดเบื้องความทุกข์ให้ออกจากใจของเรา พระธรรมดาสอนพระธรรมดายัางจะไม่สามารถสอนให้เราปลดเปลื้องความทุกข์ให้หมดไปจากใจของเราได้แต่ถ้าเป็นพระอาหารหันต์สอนนี่ท่านจะสอนให้เราปลดเปลื้องความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดได้ดังนั้นถ้าเร า, เ อ, าอยากได้ความรู้เราก็ต้องเลือกทําบุญเลือกไปทํำกับคนที่มีความรู้เพราะเมื่อได้ทําบุญแล้ว จะได้ยินได้ฟังคาสอนของท่านอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมเราควรจะเลือกคนที่เราทำบุญด้วยเลือกทำกับคนที่มีความรู้คนฉลาดใส่บาตรกับพ้าที่มีความรู้มากจะได้บุญมากคือบุญนี้ก็คือบุญที่เกิดจากการได้รับความรู้ บุญนี่มีหลายประเภทเนี่ยใส่บานก็เป็นบุญที่เกิดจากการเสียสละก้าวของเงินทองเสียสละอาหารแล้วก็บุญที่เราได้รับจากพระท่านก็จะให้ธรรมะกับเราการฟังธรรมก็เป็นบุญอย่างหนึ่งอันนี้ถ้าเราต้องการความรู้ต้องการธรรมะเราก็ต้องไปหาพระที่มีความรู้ธรรมะ ความรู้มีธรรมะไปทำบุญกับท่านแล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังถึงแม้ไม่ทำบุญก็ได้มันก็ได้ท่านก็ไม่ได้บอกว่าต้องมาทำบุญถ้าอยากได้ธรรมะก็ต้องไปหาคนที่มีธรรมะคนที่ไม่มีธรรมะเขาก็ไม่สามารถให้ธรรมะกับเราได้แต่เป็นประเพณีธรรมเนียมเวลาเราไปหาพระเราก็มักจะไปทาบุญเพราะเรารู้ว่าพระไม่มีรายได้ พระต้องอาศัยการให้ของพวกเราท่านถึงจะอยู่ได้ท่านต้องอาศัยข้าวอาหารที่พวกเราใส่บาตรให้อาศัยผ้าจีวรที่เราถวายอาศัยกุฏิที่อยู่อาศัยอาศัยยารักษาโรคท่านก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้จากพวกเราเวลาพวกเราจะทําบุญเบอร์จากสิ่งเหล่านี้ถ้าเราอยากจะได้และ รับรับผลมากเราก็ต้องเลือกพระที่มีความรู้มากเพราะเราจะได้สองสองต่ อ, อสิ่งแรกที่เราได้รับก็คือความสุขใจที่เราได้เสียสละเงินทองข้าวของไปสิ่งที่สองเราได้รับก็คือธรรมะความรู้ถ้าเราต้องการเพียงแต่ความสุข ที่ไดจากการเสียสละข้าวของเงินทองเราก็ทำกับใครก็ได้แม้กะทั่ทำกับสุนัขทำกับแมวก็ได้เราก็เสียสละข้าวของเงินทองเหมือนกันเพียงแต่ผู้รับไม่ได้เป็นพระไม่ได้เป็นคนแต่เป็นสุนัขเป็นแมวเราก็ได้บุญเหมือนกันได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้รับอะไรจากแมวกับสุนัขมากนะ อย่างมากมันก็กระเดกข้างแล้วก็มาเลียแข้งเลียขาเราดีออกดีใจหรือถ้าเราเอาไปเลี้ยงมันก็จะเฝ้าบ้านให้เรารเวลาใครแปลกหน้าเข้ามามันก็จะเห่าจะไล่นี่แล้วนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากสุนัขแต่เราจะไม่ได้รับความรู้อะไรมากไปกว่านั้นถ้าเราไป ทำบุญที่โรงเรียนไปช่วยโรงเรียนเราก็ได้คุยกับครูครูเก็อาจจะบอกวิชาความรู้กับเราถ้าเราไปทำบุญกับโรงพยาบาลไปคุยกับหมอลงพยาบาลเขาก็จะคุยเรื่องวิธีรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้เราฟังเราก็จะได้รับความรู้ต่างกันไปแต่บุญที่เราได้ จ, จากการเสียสละข้าวของเองินทองนี้เท่ากัน ถ้าจํานวนเท่ากันมันก็ความรู้สึกก็เท่ากัน เ, ออเสียจํานวนเงินก้อนนี้ไปไม่ว่าจะให้ใครความรู้สึกของผู้ให้นี้จะเหมือนกันออแต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากผู้รับนี่ขึ้นอยู่กับว่าเขามีอะไรจะให้เรา เ, ออเขามีอะไรเขาก็จะให้สิ่งที่เขามีออไปทาบุญกับชาวนาชาวไร่บางทีเขาก็เอาทุเรียนเอาส้มมาให้เรา เขามีอะไรเขาก็จะให้แลกเปลี่ยนกับเราตอบแทนบุญคุณเราพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ให้ความรู้ตอบแทนบุญคุณเราพระมีหน้าที่สั่งสอนญาติโยมญาติโยมมีหน้าที่เลี้ยงดูพระเยแลกเปลี่ยนกันเหตุนั้นถ้าจะไปทําบุญกับพระถ้าเราอยากจะได้ความรู้เราก็ต้องไปหาพระที่มีความรู้เราจะได้ความรู้มาก ถ้าไปทำบุญกับพระที่มีความรู้น้อยก็จะได้ความรู้น้อยเพราะความรู้ทางศาสนาก็เป็นเหมือนกับความรู้ทางโลกนี่แหละเป็นระดับมีระดับปฐมร ะ, ระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาเ่ถ้าเราไปทำบุญกับพระที่มีความรู้ระดับปฐมท่านก็จะสอนแต่เรื่องปฐมความระดับปฐมความรู้ระดับปฐมของ ของศาสนาก็คือสอนให้ทาบุญทาทานส่วนใหญ่ความรู้ของพระจะอยู่ระดับระดับปฐมไปวัดไหนก็บริจาคสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิทาอะไรต่างๆ อ, นนอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นน้อยนักที่จะสอนให้มารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมอันนี้มันเป็นความรู้ระดับมัธยม ชวนให้ญาโยมมาปฏิบัติทำนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดเนี่ยอันนี้เป็นความรู้ระดับมัธยมเอแต่ก็ยังแต่ก็ยังไม่ได้สอนวิธีอปฏิบัติที่จะทําให้จิตรวมจิตสงบเป็นอย่างไงให้ได้สมาธิขึ้นมาเออันนี้ก็เป็นความรู้ขึ้นไปอีกแล้วนอกจากความรู้ระดับสมาธิยังมีความรู้ระดับปัญญาอีก ทำไงจะทำให้จิตได้บรรลุปเป็นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆอันนี้เป็นระดับอุดมศึกษาแล้วบางบางรูปเป็นพระโสดาบันก็เท่ากับจบปริญญาตรีถ้าเป็นพระสกิดาคามีอนาคามีก็ระดับปริญญาโทถ้าเป็นพาาระาอารหันต์ก็เท่ากับได้จบปริญญาเอกพระเหล่านี้ก็มีความรู้ไม่เท่ากัน สอนได้มากน้อยต่างกันนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการทำบุญของเรานอกจากบุญที่เราได้จากการเสียสละแล้วเราก็จะได้สิ่งตอบแทนจากผู้รับเขามีอะไรเขาก็จะให้เราบางทีก็อาจจะไม่ได้พูดยาวก็ได้ ไปทําบุญเส่เขาก็จะพูดคําสองคําสอนให้เราทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนาอันนี้ก็เป็นธรรมะนะถ้าเราสนใจเราอาจจะอยากจะรู้รายละเอียดมากขึ้นเราก็อาจจะอยู่ต่อคุยต่อถามว่าทําทานทํำยังไง ร, รักษาศีลรักษาอย่างไรภาวนาภาวนาอย่างไรพอท่านเห็นว่าเราสนใจะท่านก็จะพูดต่อ จาทธิบายต่อถ้าไม่สนใจบางทีทาบุญเสร็จขอพอรแล้วก็กลับบ้านก็มีอันนี้ท่านก็ไม่ต้องสอนอย็่งบางนนคนไม่เข้าใจเลือกทาบุญกับพระดีๆพระเก่งๆแต่ไพส า, ายบาเสร็จขอพอรเสร็จกลับบ้านแล้วไม่ได้อยู่ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ถามธรรมะไม่ได้อยากรู้อยากเห็นอะไรท่านถาม่าอยากจะรู้อะไรก็เฉย ถ้าเฉยพระก็ขอเข้ากุฏิขอไปจําวัดดีกว่าอย่างนั้นถ้าคนที่อยากจะได้บุญเยอะๆที่บอกว่าทําบุญต้องทําบุญกับพระหลานนี่ต้องไปขอธรรมะจากท่านถึงจะได้บุญจากท่านแต่ถ้าเพียงแต่ไปใส่บาตไม่ว่าจะใส่บาตทุกวันธรรมดาวันออกพรรษาวันตักบาตรเทโวก็เท่ากันเหมือนกันเอ ถ้าอยากจะได้บุญมากกว่านั้นต้องได้จากการศึกษาจากท่านต้องได้ยินได้ฟังคาสอนของท่านคนบางทีไม่เข้าใจอุตสาห์เดินทางไปไกลไปทำบุญกับครูบาอาจารย์ไกลแสนไกลเพียงแต่ไปใส่บาตรท่านเอสาบายใสยกก็กั๊กไม่อยู่รอฟังเทศฟังธรรมก่อนก็เข้าใจผิดไงคว่าทาบุญกับพระดีด พระมีความรู้มากาจะได้บุญมากาจะได้มากก็ต้องได้ยินได้ฟังธรรมจากฉัน้นความรู้เนี่ยเป็นบุญที่สูงกว่าความรู้ที่เกิดจากการทำทานาการทำทานนี้อย่างมากก็ทำให้เร า, าถ้าตายไปก็ก็จะได้มีบุญติดตัวไปถ้าไม่ทาบาปก็จะไปสวรรค์ได้ ถ้าทำบาปก็ยังไปไม่ได้ทำทานอย่างเดียวแต่ถ้าทำบาปก็ยังต้องไปเกิดในอบายเดงแต่ว่าถ้ามีบุญติดตัวไปมันก็จะมีทําให้เราแตกต่างจากผู้ที่อยู่ในอบายถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงฉันก็อาจจะไปเป็นสัตว์ที่สวยงามน่ารักเป็นหมาหน้ารักเป็นแมวหน้ารักคนที่ทําบุญ ก็ทําให้มีคนเอาอมาเลี้ยงดูแต่ถ้าไม่ได้ทําบุญนี่ก็ไปเกิดเป็นม้ า, มาขี่เลือนเนไม่มีใครเลี้ยงดูอยู่แบบอนาถาอันนี้คืออันนี้อนนี้สงของบุญที่เราทํากันเอถ้าทําบุญอย่างเดียวยังไม่พอที่จะตาม ท, ทีรร่จะส่งเราไปสวรรค์ะจะส่งเราไปสวรรค์ได้นี่ต้องรักษาศีล ด, ด้วยเอ เพราะว่าถ้าไม่รักษาศีลเดี๋ยวบาปที่เราทำนี้มันจะดึงเราไปอาบายก่อนบุญที่เราทำเลยไม่มีโอกาสที่จะได้ส่งผลหรือถ้าส่งผลก็ส่งในลักษณะที่ว่าเนี่ยถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็อาจจะไปเป็นหมาสวยๆแมวสวยๆปลาสวยๆมีคนชอบมีคนออกไปเลี้ยงดูเหมือนลูกแต่ถ้าไม่ได้ทำบุญเลยทำแต่บาปเนี่ย ถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็อาจจะไปเป็นหมาขี้เลื้อนหมหน้าเกลียดน่ากลวัวไม่มีใครรักไม่มีใครชอบ <c oughs> แต่ถ้าทำบุญด้วยรักษาศีลได้ด้วยเนี่ยตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในบายไปเกิดเป็นเทวดาก่อนจะเป็นเทวดาชั้นสูงชั้นต่าก็อยู่ที่บุญที่ทำมากหรือทำน้อย นี่แหละคือความแตกต่างระหว่างการทําบุญน้อยกับทาบุญมากจะได้ไปเป็นเทวดาชั้นสูงหรือชั้นต่ําเทวดาชั้นสูงก็มีความสุขมากกว่ า, าเทวดาชั้นต่ำนี่ตามคนตรงนี้บุญที่เราทำเนี่ยมากทำมากทำน้อยมันต่างที่ผลลัพธ์เหมือนกับเราแทางโนตเตอรี่นะแทงน้อย เวลาถูกก็ได้รงางวัลน้อยแทงมากเวลาถูกก็ได้รงางวัลมากแบบเดียวกันเห็นถ้าอยากจะได้บุญมากจากการทำบุญทำทานก็ต้องทำให้มากเท่านั้นแหละไม่ได้อยู่ที่ผู้รับอยู่ที่การเสียสละของเราเสียสละมากก็จะได้มากไม่ต้องรอว่าจะต้องเป็นกระถินหรือเป็นผ้าป่าทำได้ผ้าป่า กายมาให้เราร่วมทําผ้าปา่าก็ทําไปเลยไม่ต้องรอทํากระถิ่เอออยากได้มากก็ทําให้มันมากๆ ก, ก็จะได้บุญมากอ น, นี่คือเรื่องเรื่องของความรู้ต่างๆในทางศาสนาแต่ความรู้ที่เป็นแก่นจริงๆก็เนี่ยให้เรารู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่ของเราเน ของดีมันจะทำให้เราทุกข์ของไม่ดีมันจะทำให้เราไม่ทุกข์ถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็ใช้ของไม่ดีไปซื้อของแถวจตุจักรอย่าไปซื้อแถวแถวอะไรแถวศูนย์การค้าต่างๆแถวที่มีชื่อเสียงโด่งดังนซื้อของเป็นแสนเป็นล้านสู้ซื้อของเป็นร้อยเป็นพันมาใช้ดีกว่าเสื้อผ้าชุดละร้อยสองร้อย ดีกว่าเสื้อผ้าชุดละหมื่นสองหมื่นความสบายใจต่างกันชุดหมื่นสองหมื่นนิ้วต้องคอยดูแลรักษาซักก็ต้องส่งไปล้างซักพิเศษออซักแห้งซักอะไรถ้าของถูกถูกถ้ามันขาดหรืออะไรก็เปลี่ยนได้เลยทิ้งได้เปลี่ยนใหม่ก็ได้เอ นาฬิกานี่ก็เหมือนกับมีคนเขาไลฟ์ฟังซื้อนาฬิกาแพงๆมาใช้นี่พออะไรมันเสียนิดหนึ่งไปซ่อมซ่อมเป็นหมื่นซื้อนาฬิกาถูกๆสามสี่พันใช้นี่สบายกว่าะงานกายเป็นแสนเวลาจะซ่อมที่ซ่อมเป็นหมื่นแล้วมันก็บอกเวลาเหมือนกันะบอกเวลาเท่ากันเลยคุณภาพไม่ต่างกันเรื่องเวลาตรงเป่งเหมือนกันเลยราคาสามสี่พันนี่สบายใจกว่าะ เสียกระทิ้งมันเลยก็ได้หรือซ่อมก็ไม่กี่ร้อยรถยนต์ก็เหมือนกันใช่ไหมรถยนต์ราคาไม่กี่แสนซ่อมก็ไม่กี่หมื่นแต่รถร า, าคาหลายล้านนี่ซ่อมที่เป็นหลายแสนเนี่ยมันมีแต่เรื่องที่จะทําให้เราปวดหัวมากขึ้นยิ่งใช้ของดีของแพงเท่าไหลายมันก็ทําให้เราต้องวุ่นวายไปกับมันมากขึ้นใช้กับใช้กับของถูกเนี่ย มันสบายถ้ามันใช้ได้เหมือนกันเออันนี้เราก็ต้องดูการใช้งานด้วยว่ามันใช้ได้งานเหมือนกันหรือเปล่าเช่นรถมันก็พาเราไปที่ที่เราต้องการไปได้เหมือนกันะรถห้าแสนกับรถห้าล้านมันก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันแล้วทำไมต้องไปเสียห้าล้านทําไมค่าประกันก็แพงกว่าเอค่าดูแลรักษาก็มากกว่าค่าซ่อมแซมก็มากกว่าเอค่า ค่าวิตกกังวลก็มากกว่าอะจอดรถไว้เดี๋ยวเกิดใครมือบอนอะไรมาขีดมาขวดไหนก็โอเหมันก็อะไรมากีดหัวใจใช่แล้วถูกๆเอากีดก็กีดไปให้ไเปเลยถือว่าเป็นอ่เป็นเหมือนกับอ่แบบเป็นเหมือนกับอ่เป็นการวาดเขียนเป็นรูปแบบของรถไปลวดลายของของรถไป นะฮะตามคำสอนสอนให้เราอยู่กับใช้ของไม่ดีดีกว่าแต่ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันคือของให้มันถ้าของที่เราต้องใช้ขอให้มันทำหน้าที่ของมันให้ได้อย่าไปดูว่ามันแพงหรือไม่แพงดูที่ว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้เสื้อผ้าเนี่ยมันใช้ได้หรือไม่ได้เสื้อผ้าชุดละพันกับชุดละหมื่นนี้ ạt, ชุดละพันมันใช้ได้เสียทำไมต้องไปเสียต้องหมื่นหนึ่งทำไมอ่ เนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาเก๋กับนาฬิกาแท้มีใครเขารู้กว่าไม่มีใครรู้หรอกเพชรแท้กับเพชรเก๋นี่มีใครรู้เปล่าใส่แหวนเพชรเี่ยใส่แหวนเพชรเก๋ก็ไม่มีใครรู้เนาะถ้ามันจะทําให้เราสบายใจกว่าความทุกข์ความวุ่นวายใจจะน้อยกว่าความดิ้นลดลก็น้อยกว่าถ้าใช้ของแพงๆก็ต้องดิ้นลดลนุดเหนื่อยๆกับการหาเงินหาทองออ แล้วอาจจะเสี่ยงต่อการทำบาปด้วยเพราะถ้าอยากจะได้เงินมากๆง่ายๆเร็วๆวิธีที่จะทำก็คือต้องโกหกบ้างต้องโกงบ้างมันถึงจะได้มากถ้าอถ้าขายแบบซื่อตรงอาจจะขายไม่ได้เอไม่โกหกก็ไม่คนก็อาจจะไม่ไม่ถูกหลอกเขาก็ไม่ซื้อเราต้องหลอกเขาว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ ซื้อมาราคาแพงตรงขายแพงทำนองนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาถึงมักจะบน่นว่าทำมาหากินแล้วนี่รักษาสีนไม่ค่อยได้เพราะมันต้องโกหกเนเหมือนก็ต้องโกงกันหลอกลวงกันเนี่ยมันทำให้เราไปทำอะไรที่ทำให้เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจของเรา ทำบาปแล้วมันจะทำให้ใจเหล่านี้มีความไม่สบายใจในเบื้องต้นแล้ ว, วาอาจจะต้องไปรับผลรับใช้กรรมถ้าทำผิดกฎหมายก็อาจจะต้องถูกไปจับขั้งคุกขั้งตารางาาบางทีอาจจะไม่ถูกจับก็ได้แต่ตายไปก็จะต้องไปติดคุกในอบายอาันนี้หนีไม่ได้คุกในในโลกนี้ยังพอหนีได้ แต่คุกในอบายนีหนีไม่ได้มันเป็นอัตโนมัติถ้าตายไปบาปมีกำลังมากมันก็จะดึงเราไปอบายหนีหนีไงก็หนีไม่ได้แต่ในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้อาจจะหนีคุกได้อาจจะหลุดจากคุกก็ได้ถูกจับแล้วก็อาจจะหนีได้มีเงินจ่ายสักอย่างก็ยังพอจะหนีคุกในขณะที่มีชีวิตอยู่ได้ แต่เวลาตายหนีไม่ได้แต่คนไม่เชื่องคนไม่เชื่อว่าตายไปแล้วยังมีต่อคิดว่าตายแล้วจบคิดว่าตายแล้วก็ตายร่างกายตายคนที่ใช้ร่างกายก็ตายไปด้วยคนที่สั่งให้ร่างกายไปทำอะไรนี่ความจริงไม่ได้ตายไปกับร่างกายคนที่สั่งก็คือเราเนี่ยละ่ะเราคือคนสั่งร่างกายให้ทำอะไรต่างๆ สั่งให้มันไปขโมยสั่งให้มันโกหกเออสั่งให้มันไปทําอะไรต่างๆทั้งดีทั้งไม่ดีแล้วคนสั่งนี่แหละเป็นคนที่จะรับผลจากการกระทําไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันไม่รู้เรื่องร่างกายมันเหมือนรถยนต์คนขับรถยนต์ไปชนคนตายเขาไม่จับรถยนต์ไปขังคุกขังตารางเขาจับเอเขาจับคนขับไปเพียงแต่ว่าคน คนที่สั่งให้ร่างกายทำมันมันอยู่กับร่างกายเขาไม่รู้ว่าคนสั่งอยู่ตรงไหนก็เลยต้องเอาเอาร่างกายไปเพราะถ้าเอาร่างกายไปคนสั่งก็ติดไปด้วยเขาเลยต้องจับร่างกายไปขังคุกขังตารางเพราะเขารู้ว่าคนที่สั่งให้ทําก็ต้องไปกับร่างกายก็ต้องไปติดคุกกับร่างกายแต่ความจริงแล้วร่างกายนี้ ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนรับผลจริงๆเช่นเวลาร่างกายตายไปคนที่ทำบาป ก, ก็ยังมีผลที่จะต้องไปนับต่อแต่พวกเราไม่มีตาตาที่จะเห็นคนสั่งได้เราเห็นมีแต่ตาที่จะเห็นร่างกายเราก็เลยคิดว่าพอร่างกายตายไปแล้วก็หมดไม่มีใครไปรับผลต่อ ทำดีขนาดไหนทำชั่วขนาดไหนถ้าไม่ได้รับผลตอนที่มีชีวิตอยู่ถ้าตายไปแล้วก็ไม่มีจะรับก็ผลก็ตามที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเองทำดีอาจจะได้รางวัลตอบแทนอาจจะได้รับเกียรติยศอะไรต่างๆทำชั่วก็อาจจะถูกจับไปลงโทษแต่พอตายไปแล้วใครจะมาใครจะมารับโทษใครจะมารับความดี เราไม่รู้เราไม่เห็นว่าคนที่จะไปรับความดียังยังอยู่นะสิ่งที่เขาจะไปรับก็ยังอยู่สิ่งที่เขารับก็คือความสุขความทุกข์ในใจของเขานะั่นแหละที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเขาก็จะอยู่ในโลกเหมือนอย่างในโลกของความฝันเขาก็จะฝันดีฝันลายเหมือนตอนที่เรานอนหลับ ตอนที่เรานอนหลับเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายร่างกายก็เหมือนสมมุติให้มันตายชั่วคราวร่างกายก็นอนนิ่งแต่ใจของเรานี้มันไม่ได้นอนกับร่างกายใจแล้วก็ไปต่อไปในรูปแบบของความฝันฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้างฝันไม่ดีก็เพราะทำบาปฝันดีก็เพราะทำดีทำบุญอันนี้แหละเป็น เป็นสิ่งที่จะตามมาหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจก็จะอยู่ในสภาพของโลกของความฝัน <c oughs> โลกของความฝันก็เหมือนโลกของความจริงใช่เวลาเราฝันนี่เรารู้ว่าเราฝันด้วยป่าเราไม่รู้หรอกเราคิดว่าเรากาลังอยู่ในโลกของความจริงจะมารู้สึกตัวอีกทีก็เมื่อเราเตื่นขึ้นมา แต่เงินมาเราถึงบอ า, าเอ้เมื่อกี้เราฝันไปเนี่ยมาฝันดีบางทียังอยากจะกลับเข้าไปใหม่เะยถึงแม้จะเป็นโลกของความฝันก็ก็ยังดีกว่าโลกของความจริงตอนฝันฝันเป็นเศรษฐี <c oughs> ก็ตื่นขึ้นมาเอากลับกลายเป็นแม่ค้าขายกับข้าวกูขอกลับไปฝันใหม่ตอนนี้ อา้าวนี่แหละต่อไปเวลาตายไปแม่ค้าขายกับข้ า, าก็จะกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาเนี่ยเพราะทำบุญใสบาต ท, ทุกวันเนี่ยมีแม่ค้าเนี่ยขายกับข้าวบา้านอาเภอใส่บาทุกวันทุกวันเ น, นี่ยตอนตอนตื่นก็เป็นแม่ค้าตอนนอนหลับก็เป็นเศรษฐีเดี๋ยวตอนตายไปก็ไปเป็นเศรษฐีต่อดีกว่าดีกว่าเป็นดีกว่าดีกว่ามีชีวิตอยู่ตายยังมีตายแล้วก็ดีกว่าทําไมไม่มีคคา ทำไมจะไม่อยากตายกันฮะตายแล้วมเป็นเศรษฐีเวลาตื่นน่ะเป็นเป็นแม่ค้าขายขายกับข้าวอานี่แหละคือความจริงของจิตใจของพวกเรา mm hmm. เวลามีร่างกายมันก็ต้องเป็นไปตามอความสามารถของร่างกายที่จะทําอะไรให้กับเราได้ mm hmm. แต่พอเราตายไปเนี้เราจะอาศัยบุญ บุญนี่จะทำให้เราเป็นเศรษฐีกันจะฝันดีฝันว่าเป็นเศรษฐีมีรับมีข้าวของเงินทองมากมายอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปทำอะไรก็สามารถทำได้อย่า ง, างใจหมายในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำบาปนี่เราก็จะฝันร้ายกันถึงแม้ว่าตอนตอนตื่นนี่ ตอนเตือนี่จะเป็นนายกจะเป็นรัฐมนตรีแต่เป็นแต่โกงกินบ้านเมืองเนี้ยเวลานอนหลับนี่จะฝันมีในเรื่องที่มีแต่เรื่องที่วุ่นวายใจเรื่องไม่สบายใจฝันว่าไปติดคุกติดตารางไม่ได้ติดตอนที่เป็นแต่เวลานอนหลับมันฝันว่ามันจะไปติดคุกติดตารางมันถึง <c oughs> มันก็จะไม่อยากนอนนอนแล้วฝันร้ายนอนไม่ จึงนอนไม่หลับกันไม่อยากจะหลับนอนไม่นอนไม่หลับก็ทุกข์อีก น, นี่คือเรื่องของผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อบไม่ใช่ร่างกายแต่ผู้ที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเนี่ยเป็นคนละคนกับร่างกายแต่ความรู้ทางระดับโลกนี้เขาไม่สามารถแยกแยะคนสั่งกับคนรับคําสั่งได้นักวิทยาศาสตร์ เก่งการขนาดไหนในโลกนี้เขาก็คิดว่าคนสั่งกับร่างกายนี้เป็นคนคนเดียวกันเขาคิดว่าคนสั่งก็คือสมองสมองเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆพอร่างกายตายสมองก็ตายไปด้วยกันก็จบไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปต่อแล้วทำไมคนที่บางคนอยู่ เกิดมาเกิดแล้วทำไมถึงเป็นนึกถึงอดีตได้ว่าเคยอยู่ที่นั่นที่นี่มาก่อนอก็คนนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เ, าเด็กบางคนนี้พอดีได้กลับมาเกิดเร็วยังจำได้ว่าเคยอยู่ที่ที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้อยู่ที่นั่นที่นี่แล้วก็สามารถพาไปชี้ที่ที่เขาคิดเขาจำได้ใครแลละเป็นคนจำได้ร่างกายหรือหรือใจ ถ้าเป็นร่างกายถ้าเป็นสมองเป็นคนคิดมันก็มันจะมันจะไ ป, ะไปทุกคนมันก็ต้องจำได้เหมือนกันหมดสิทำไมบางคนจำได้บางคนจำไม่ได้เนี่ยมันทำให้เราคิดได้ว่าบางบางทาีคนคิดกับร่างกายนี้มันอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันก็ได้เ้วก็นิสายใจคอทำไมถึงไม่เหมือนกันถึงแม้เกิดมาจากพ่อแม่คนเดียวกัน ถ้าเป็นพ่อแม่คนเดียวกันหน้าตาเหมือนกันแต่ทาไมความรู้สึกนิคิดไม่เหมือนกันทำไมนิสัยใจคอไม่เหมือนกันนิสัยใจคอมันไม่ได้มาจากสมองไม่ได้มาจากพ่อแม่มันมาจากคนคิดที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันติดอยู่กับคนคิดคนคนสั่งให้ร่างกายทำอะไร คนนี้แหละที่ไม่ได้ตายแล้วก็นิสัยใจคอก็อยู่ที่คนนี้เช่นชาตินี้เราชอบอะไรเดี๋ยวเราไปเกิดใหม่ได้ร่างกายใหม่เราก็จะชอบเหมือนเดิมเคยชอบสีเขียวก็จะไปชอบสีเขียวเหมือนเดิมชอบสีแดงก็จะไปชอบสีแดงไม่ชอบสีดำหรือไม่ชอบสีอะไรมันก็จะไม่ชอบความชอบความไม่ชอบนี่มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่สมอง มันอยู่ที่ใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีสิ่งที่เราจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่มันเป็นตัวที่รู้ที่คิดเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่เป็นผู้ที่ทำอะไรแล้วก็รับผลที่ทำคือความรู้สึกเนี่ยทำอะไรดีก็เกิดความสุขใจขึ้นมาทำอะไรไม่ดีก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แล้วสิ่งที่ทํามันก็จะฝังอยู่ในใจเวลานอนหลับหรือเวลาตายไปสิ่งที่เราทําไว้มันก็จะโผล่มาเป็นเหมือนกับความฝันมาทําให้เราสุขและทุกข์ไปกับการกระทําที่เราได้ทําไว้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะรู้ได้นอกจากพวกที่ปฏิบัติสมาธิพวกนั่งสมาธินี่เขาจะ สามารถมาพบกับตัวที่รู้ที่คิดได้เห็นตัวรู้ตัวคิดได้แต่ถ้าไม่นั่งสมาธินี่จะไม่สามารถแยกตัวรู้ตัวคิดออกจากร่างกายได้เพราะเวลานั่งสมาธิเวลาจิตสงบแล้วนี่ความรับรู้ทางร่างกายก็หายไปเหลือแต่ตัวผู้รับรู้ตัวตัวรู้อยู่ตัวเดียว ก็จะรู้ว่าอ๋อนี่ตัวรู้กับร่างกายมันเป็นคนละเรื่องกันตัวรู้ก็มีแต่รู้ร่างกายมีแต่หน้าที่รับความรู้มาส่งรับข้อมูลมาส่งให้ตัวรู้อีกทีร่างกายมีหน้าที่รับรูปมาทางตารับเสียงมาทางหูแล้วส่งมาให้ตัวรู้ให้ตัวรู้รับรู้ว่าตอนนี้กำลังเห็นโลกกำลังได้ยินเสียงแล้วตัวรู้นี่แหละเป็นตัวไป ไปไปค้นคว้าหาว่ารูปที่เห็นนี่เป็นอะไรรูปอะไรไม่รู้ก็ถามเห็นไหเด็กเป็นเห็นอะไรไม่รู้ก็ถามแม่เป็นอะไรแม่ก็สอนว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่พอถูกสอนก็จำไว้พอข่าวต่อไปก็ไม่ต้องถามพอข่าวต่อไปเห็นก็จำได้ เราก็จะรู้ว่าพ่อแม่ดีหรือไม่ดีพี่น้องดีหรือไม่ดีเพราะจะใสประสบประการณ์ที่ได้ได้พบเห็นเขาบางทีไปเจอเขาไม่ดีเราก็จะจำไว้ว่าคนนี้ไม่ดีเวลาเขาดีเราก็จะจำว่าไม่ดี พอเราไปเจอเขาถ้าเ้าดีเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายก็อยู่ในใจนี้แหละะใจนี่แหละเป็นผู้มีความรู้สึกสุขทุกข์รู้ใจเป็นผู้คิดผู้จําอะไรได้ต่างๆเป็นผู้รับรู้สิ่งต่างๆที่ร่างกายเป็นผู้ไปรับมานํามาส่งให้ใจอีกทีใจกับร่างกายเนี้มีความเกี่ยวข้องกันแค่ตรงเนี้ย คือร่างกายมีหน้าที่ไปรับข้อมูลต่างๆมาให้กับใจแล้วก็รอรับคำสั่งจากใจว่าจะให้ทำไงกับสิ่งที่ที่ร่างกายไปพบไปเห็นเช่นไปเห็นเพชรก็จะรอคำสั่งว่าใจจะสั่งให้ทำอะไรดีใจก็บอกไปเอามาสิถ้าไปเจอางูก็ก็จะรอรับคำสั่งว่าจะทำไงก็ถอยสิ คนสั่งไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่สมองคนสั่งคือปัจจัยที่ไม่มีรูปร่างหน้าตามีแต่ความรู้สึกนึกคิดตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่ไปรับความรู้สึกนึกคิดที่ดีหรือไม่ดีที่เกิดจากการกระทําของตนเองไปทําเรื่องไม่ดีมันก็จะมีเรื่องที่ไม่ดีมาให้มาให้มีอยู่ในความรู้สึกนึกคิด อไปทำเรื่องที่ดีมันก็จะมีเรื่องที่ดีมาให้อยู่ในความรู้สึกนกคิดเนี่ยพอเวลานอนหลับหรือเวลาตาย้เรื่องที่ดีไม่ดีมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้ใจนี้มารับรู้อีกทีหนึง่งแล้วก็เกิดความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่แหละคือผู้ที่ไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว นี่ก็คือสรุปก็คือเรื่องของความรู้ต่างๆที่เราจะได้รับถ้าเรามามาหาพระพุทธศาสนาให้เรารู้ว่าเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เป็นร่างกายเรานี่ยแหละจะเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเกิดใหม่อีกเพราะว่าเรายังมีความอยาก หาความสุขผ่านทางร่างกายต่อยังอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นพอร่างกายอันนี้ตายไปก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มาหาความสุขต่อแล้วในช่วงที่มีชีวิตอยู่ก็อาจจะไปทําบาปไปทําบุญอืม <c oughs> ตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปในรูปแบบของความฝันเนี่ย ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าถ้าเราอยากจะไม่อยากจะกลับมาเกิดนะก็ต้องได้ความรู้จากพระพุทธเจ้าว่าเหตุที่ทําให้เรามาเกิดก็คือความอยากมีความสุขผ่านทางร่างกายนะถ้าเราไม่อยากจะมาเกิดเราก็ต้องเลิกหาความสุขผ่านทางร่างกายก็ตนะ้องมาอยูนะ่แบบนะักบวชนนะักบวชนี้เข้ายุติการใช้ ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขะก็ให้หาความสุขด้วยการทําใจให้สงบะให้นั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วก็ใช้ปัญญาคอยห้ามใจเวลาอยากได้อะไรก็ห้ามมันสอนใจว่าความอยากจะพายไปเกิดใหม่ถ้าไม่อยากจะไปเกิดใหม่ก็อย่าไปทําตามความอยาก พอห้ามใจได้ไม่ทำตามความอยากได้ต่อไปความอยากก็หายไปหมดไปเมื่อหมดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาดึงใจให้ไปเกิดใหม่ใจก็จะอยู่อยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอรหันต์คืออยู่แบบไม่เกิดการอยู่แบบไม่เกิดก็คืออนิพานใจที่ไม่เกิดเรียกว่านิพานใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงความอยาก พ็ได้ถูกกำจัดด้วยการใช้ความสงบและใช้ปัญญาคอยหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปทำตามความอยากใจก็ไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปอมไม่ต้องมาทำบุญทำทานไม่ต้องมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมไม่ต้องไปดิ้นรนหาสิ่งต่างๆมาให้วุ่นวายใจได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกอิ่มไม่รู้สึกพ อ, อ กับมีความวุ่นวายใจมากขึ้นมีอะไรก็ต้องมาคอยวุ่นวายกับมันซึ่ไม่มีอะไรดีกว่าไม่มีก็ไม่มีอะไรจะให้วุ่นวายจะไม่มีได้ก็ต้องทำใจให้สงบแล้วก็กําจัดความอยากมีอะไรให้ได้เมื่อกําจัดมันหมดมันก็ะจะอยู่แบบไม่มีอะไรได้อยู่กับความสงบความสงบนี่เป็นความสุข ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ดีที่สุ ด, ท, ด, ท, สดที่ไม่มีพิษไม่มีภัยไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเราแต่มันก็ให้ความวุ่นวายใจกับเราด้วย น, นี่คือความรู้ที่เราจะได้รับถ้าเรามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาทําบุญกับพระพระสงฆ์เราก็จะได้ยินได้ฟังธรรมระดับต่างๆ ตามกาลังของผู้สอนรู้ระดับไหนก็สอนได้ในระดับนั้นรู้ระดับทานก็สอนทำทานรู้ระดับศีลก็สอนเรื่องศีลรู้ระดับสมาธิก็สอนเรื่องสมาธิรู้ระดับปัญญาก็สอนระดับปัญญาไปเราต้องการระดับไหนเราก็ไปเลือกดูเนี่ยเราจึงบางทีต้องไปช็อปปิ้งกันไปตามวัดต่างๆไปดูว่าพระอาจารย์รูปนี้เทศถึงระดับไหน ถึงระดับเราหรือเปล่าถ้าต่ํากว่าเราเราก็ไม่กลับไปอีกนถ้าสูงกว่าเราบางทีฟังไม่เข้าใจก็ยังยังไม่อยากจะไปฟังแล้วไม่รู้เรื่องต้องไปฟังระดับที่พอพอจะเข้าใจได้อาจารย์บางรูปท่านก็เก่งสอนทุกระดับเลยสอนตั้งแต่ทานขึ้นไปสอนทานสอนศีลสอนสมาธิสอนปัญญาลูกศิษย์ก็เลือกเอาได้อ คนที่อยู่ระดับฐานก็เอาไปทำฐานก่อนทนที่อยู่ระดับศีลก็ไปรักษาศีลก่อนคนที่อยู่ระดับสมาธิก็ไปฝึกสมาธิคนที่อยู่ระดับปัญญาก็ไปเจริญปัญญาอาจารย์บางคนนึงมีลูกศิษย์เยอะเพราะท่านสอนได้ทุกระดับอาจารย์มังง์ก็สอนได้ระดับเดียวลูกศิษย์ก็น้อยหลืออาจจะไม่น้อยก็ได้เพราะว่า ระดับตามนี้จะมีคนมากกว่าระดับสูงยิ่งระดับสูงนี่ยิ่งมีน้อยใช่คนจบด็อกเตอร์เรียนด็อกเตอร์มีไม่กี่คนนะทางวิชาหนึ่งอาจจะมีคนเรียนด็อกเตอร์สี่ห้าคนนั่นนี่ถ้าเรียนบริยานโทอาจจะยี่สิบสามสิบนะถ้าเรียนปริญญาตรีอาจจะเป็นร้อยถ้ามัธยมนี่เป็นพันถ้าปถมนี่เป็นหมื่น ฉะนนจะไปรับปริมาณคนก็ไม่ได้เพราะยิ่งมากอาจจะยิ่งความรู้ยิ่งน้อยความรู้น้อยคนส่วนใหญ่จะมีความรู้น้อยจะเริ่มจากความรู้น้อยแล้วไต่เต้าขึ้นไปแล้วคนที่สามารถไต่เต้าขึ้นสูงก็จะมีน้อยลงไปน้อยลงไปเพราะมันยากขึ้นยากขึ้นเหมือนกับปีนขึ้นที่สูงตอนต้นอยู่ขั้นต่ําๆคนก็เป็นกันเยอะ พอสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปชักจะหมดแล้กันเหมือนวิ่งมาราธอนใช่ไหมมีมาราทอนอมีครึ่งมาราทอนมีมินิมาราทอนมีกิโลหนึ่งก็แล้วแต่กําลังของคนวิง่งอันนี้ก็แล้วแต่กําลังของคนที่จะไปเรียนให้บางทีวัดที่มีคนเยอะๆนี่อาจจะเป็นพวกที่เรียนขั้นระดับต่ำํำเรียนระดับฐานกันทำบุญทําทานกัน เพราะระดับสูงนี่มันยากกว่ามีคนเรียนน้อยกว่าก็ไม่ได้ดูที่ปริมาณโดยเพียงอย่างเดียวต้องดูที่คุณภาพด้วยอาละนะก็คิดว่าพูดมาพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะท้าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปกปติอิชิตังปติตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจโตสัเพโปรนตุสังกปาจันทูปนาหราโสยทามณิโชติหราโสยทาสพะพิธิโยวิวัชานตุ สัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนศีลิษะนิจังุทธาปัจายิโนจตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวันโอสุขังพะลวันนี้ขามาท่า วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสา6ร้อ t เก e 1ส2บหนึ่งยห้าิบสวิทยุออนไลน์สสิหแล้วก็รับฟังอยู่ข้างบนนี้4ี่ิบคนรวมทั้งหมดเป็นห2ร้อยสิบห้าครับ okay. วันนี้ต้องขออภัยวันนี้พอดีมีผู้ถามภาษาอังกฤษเลยไม่มีโอกาสได้ตอบภาษาไทยแต่ไม่เป็นไรเรามีถามปัญหาภาษาไทยอยู่ทุกวันอยู่แล้วนี่เขาเป็นชาวต่างชาตินานๆที่เขาจะได้มีโอกาสได้ถามคำถามเป็นภาษาของเขาที่เขาฟังแล้วเข้าใจวันนี้ก็เลยเห็นเขามารอตั้งแต่สองโมงก็เลยบอให้เขารอช่วงสามโมงกอนก็เลย บริวาอกาสให้เขาถามได้อย่างเต็มที่ถ้าก็อยากจะถามก็รอพรุ่งนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้ก็ส่งข้อความเข้ามาได้ไหมช่วง3โมงถึง4โมง3โมง 4:15 ช่วงแรกก็จะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อน2ถึง3ก็คิดว่าพอสมควรแก่วเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ